ในครั้งเมื่อวานเราก็ได้กล่าวถึงเรื่องของศีประเภทสีเนาะีประเภทสีคือปาติโมขสังวรศีอินทรีสังวรศีปัจจะยานิสิตาสีอาชีวะปาริสุทธิสีทีนี้ก็ ก, กำลังขยายในหัวข้อว่าด้วยปาติโมขสังวรศีนี่ไง นี่ถ้าเขาให้เป็นพระโสดาบันเอาหรือเปล่าซีนยังไม่รู้จักเลยเอาไหมรักษาไม่ถูกกันนะในปาติโมฆาสังวร น, นี่นะหัวข้อหลักก็คือว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุในพรสาสนานี้เป็นผู้สำรวมแล้วด้วยปาติโมฆาสังวร อ, อยู่ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัย ในโทษทั้งหลายมากว่าเล็กน้อยย่อมสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอันนี้เป็นพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงเอาไว้ด้วยพระองค์เองแล้วในพระพุทธพจน์เหล่านี้พระพุทธพจน์อีกนั่นแหละเป็นขยายขยายพระพุทธพจน์เหล่านั้นพระพุทธพจน์ที่เอามาขยายคือผู้พุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ในคำภีชานวิพัง ซึ่งข้อความในวิสุทธิมรรคก็ได้คัดลอกเอาข้อความเหล่านั้นมาที่ว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปาติโมคสังวรเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรนั้นคำว่าอาจาระและโคจรนั้นก็ขยายตามคำพีวิพังซึ่งเราก็ได้เรียนถึงหน้าเท่าไหรแล้วหน้า57นะออแสดงว่าติดตามเรื่องภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้เนี่ยนะ ที่กล่าวถึงอนาจาร์นี่นะพระพิกสุทธที่ทำอนาจาร์นี่ทําอย่างไรมาดูนะตั้งแต่เมื่อวานกล่าวถึงว่าผู้ที่ก้าวล่วงทางกายเรียกว่าทูศีลทางกายก็เรียกว่าอนาจาร์ทางกายพูดแล้วก็เสียศีลทางวาจาเรียกอนาจาร์ทางวาจาก้าวล่วงทั้งทางกายทั้งทางวาจาอันนี้ก็เรียกว่าอนาจาร์หรือว่าความทูศีลหรือคนทูศีลทั้งหมดชื่อว่าอนาจาร์ อันนี้ก็เอาเรื่องเกี่ยวกับ ก, บกรรมบทเป็นต้นนั่นเองมาเป็นเครื่องวัดว่าถ้าล่วงอกุศนกรรมมบทเมื่อไหร่ก็อนาจารเมื่อ น, นั้นแหละไม่ดีแล้วเพราะว่าอาจาระเป็นชื่อของศีลอนาจาระก็ไม่ใช่ไม่ใช่ศีลนั่นเองแล้วต่อไปว่าพิสูบบางรูปในพราศาสนานี้สําเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยการให้ไม้ไผ่บ้างก็คือมีลำไม้ไผ่ก็เอาไปเอื้อเฟื้อไปแจกจ่ายญาติโยมเนี่ยนะแจกจ่ายแล้วถามว่าให้เขาทําไม ให้ให้สิ่งเหล่านี้ทำไมใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าถ้าตกเบ็ดเนี่ยนะที่ตายเหยื่อไปนในเบ็ดเนี่ยนะมีใครเอาเอาไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาตัวเบ็ดายไปผูกแต่เชือกหย่อนมาให้ปลากินเนี่ยนะหายากนะถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นลักษณะนั้นคนที่ให้ไม้ไผ่เป็นต้นเหล่านี้เนี่ยนะแสดงว่าเบื้องหลังของการให้นั้นน่าจะมีอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าการให้ไม้ไผ่เนี่ยนะถ้าไม้ไผ่เป็น เป็นศอกไปแล้วเป็นต้นนะถ้าเป็นของสงเนี่ยนะเป็นคารุพันธ์นะของอันนั้นไม่เป็นอันแจกรูปใดให้เนี่ยเป็นอบัตนะนะถ้าถึงกับเสียศีลเสียธรรมแล้วก็ให้ของโยมไปเป็นต้นก็แสดงว่ามีเบื้องหลังในการให้เพราะฉะนั้นเบื้องหลังอันนั้นก็คือเพื่อให้เขาศรัทธาเพื่อให้เขาถวายปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ที่เกิดจากการให้ไม้ไผ่เป็นต้นอันนั้นเนี่ยนะเชื่อว่าของที่ได้มาโดยไม่บริสุทธ อาชีวิบัติและเเพราะฉะนั้นด้วยการให้ใบไม้บ้างเช่นในวัดมีใบตาลมีใบมะพร้าวเนี่ก็เอื้อเฟื้อแจกจ่ายให้โยมไปดูอย่างนี้ดูเหมือนดีนะแต่การกระทำเหล่านี้เชื่อไหมว่าเป็นเหตุประทุสร้ายตะกูลเป็นเหตุให้ประทุสร้ายตะกูลเมื่อตระกูลเนี่ยนะพระพิสุให้เข้าของพวกนี้บ่อยๆเข้าต่อไปเนี่ยเขาจะมีใจเป็นอื่นจากพระรัตนตรยัย ถามว่ามีใจเป็นอื่นกับพระัตนตรัยนี่หมายความว่ายังไงเขาจะไม่ศรัทธาพวกพระพิสูจน์ที่มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะมีจิตเป็นอื่นจากพระัตนตรัยแล้วมาศรัทธาในบุคคลนั้นๆไปเนี่ยนะก็พระเป็นพระภิสูจที่ดึงดึงศรัทธาของคารวะเนี่ยนะจากพระัตนตรัยลงมาเหลือในตนอย่างเดียวทีนี้อ่ะอย่างนี้ เ, เรียกว่าประทุสรายตระกูลนะทำให้ตระกูลตกต่ําเสื่อมเสียเสียหายจากพระรัตนตรยัย การให้แบบนี้เนี่ยนะ ต, ต้นต้นแรกแรกดูเหมือนไม่เสียหายดีด้วยซ้ําไปเขาก็จะได้ศรัทธาเขาก็จะได้เลื่อมใสใช่ไหมมีอะไรก็แบ่งปันกันไปแต่ที่จริงแล้วตรงกันข้ามเลยนี่เป็นเหตุให้เสื่อมเสียหายามีพระภิกษุบางรูปไปอยู่บางแห่งมีอะไรก็ขนให้โยมหมดเลยทีนี้กลุ่มภิกษุรูปนี้จากไปกลุ่มใหม่มาอีกเนี่ยแทบไม่ได้ฉันเลยเพราะกลุ่มหลังไม่ให้ไม่บริจาคเหมือนกลุ่มเดิมเหมือกันนนะ เนั้นกลุ่มหลังๆเลยไม่ให้ทานเนี่ยกลายเป็นว่ามาคอยรับเป็นต้นอย่างเดียวเยซึ่งพระพิสูนนั้นถ้ามามาทำลักษณะนี้แล้วปัจจัยสี่เกิดขึ้นเนี่ยอาชีพของท่านเหล่านั้นวิบัติแล้วเมื่ออาชีพวิบัตินเนี่ยนะจะตูปาริสูที่ศีลก็ไม่ได้ก็ตกไปหรือว่าด้วยการให้ดอกไม้เป็นต้นเนี่ยนะให้ดอกไม้เรื่องนี้มีขยายละเอียดกว้างขวางในสังขาทิเศษ สิกขาบทที่13เนี่ยนะเรื่องปัทุสไรตระกูลเนี่ยนะสิกขาบทที่13าเนี่ยนะเป็นผู้ปัทุสไรตระกูลเรียว่าเป็นต้นเหตุแห่งสังขารทิเศด้วยซ้ําไปสิกขาบทใหญ่โตเลยเพราะฉะนั้นพวกให้ไม้ไผ่ให้ผลไม้ให้เครื่องสนานเนี่ยนะมีสบูยาสีฟันเป็นต้นก็เที่ยวแจกเข้าไปหรือให้ไม้ชาระฟันนะด้วยความเป็นคนประจบบ้าง ไปเที่ยวประจบวางตัวเองต่ำยกยอปอปั้นคารวาดนะโอ้ยอาตามานี่ทำไมได้โยมมาอยู่ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นอะไรแบบนี้พูดยกยอพูดผูกพู ด, พ, ด, พ, ด, พ, ดพันกันอยู่นั่นแหละลักษณะเนี่ยนะยกเขาให้สูงไว้แล้วก็กดตัวเองให้ต่ำให้ต่ำให้ต่ำล ง, เ ข, เ, ง เ, ขเขาก็จะได้เลื่อมใสเขาก็จะได้ศรัทธาเขาจะได้เลี้ยงดูอุปถัมภ์บำรุงตลอดไปลักษณะนี้เนี่ยก็ชื่อว่าการประจบประแจง อันนี้ก็เป็นถ้าปัจจัยที่ได้เกิดนั้นนะ่ะที่ได้มานั้นอาชีพวิบัติแ น, นนะ่ของที่ได้มาเนี่ยถือว่ามาจากอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์หรือว่าด้วยความเป็นผู้มีคําพูดดุดแกงถั่วเคยเคยเห็นแกงถั่ว่าต้มถั่วนะต้มถั่วนี่มันสุกทั้งหม้อไหมไม่สุกทั้งหม่อนะก็ต้องมีดิบบ้างคราว่างั้นเพราะฉะนั้นการหาเลี้ยงชีพด้วยคําจริงและคำลวง ว, ว่าพูดทั้งจริงบ้างพูดทั้งเท็จผสมปนเปกันไปให้เขาศรัทธาให้เขาเลื่อมใสนะก็บอกว่าเหมือนอย่างว่าเมื่อแกงถั่วสุกแล้วเนี่ยน ะ, ะถั่วเป็นอันมากสุกที่ไม่สุกก็มีเล็กน้อยฉันใด ก, การเลี้ยงชีพเนื่องด้วยคําพูดคําจริงและคําลวงก็ฉันนั้นไอ้ที่ไม่จริงนี่มีเสียมากมไอ้จริงเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นจริงกับเท็จเท็จกับจริงก็ผสมปนเปกันไปแล้วคนก็เชื่อเหมือนกันนะอย่างเช่น หลอกลวงไปเนี่ยอวดอุตริมนุษธรรมบ้างอันนี้ในตัวไม่มีจริงหรอกเอาหลักธรรมผสมกันไปนะเอาหลักธรรมผสมกับที่ตัวเองอวดเข้าไปเนี่ยโอ้โยมเนี่ยศรัทธาเขาเรียกว่าศรัทธาถึงขนาดว่าคนที่บ้านไม่ได้กินหรอกเอาไปทำบุญอย่างเดียวนะนะยังสงสัยเรื่องที่พระภิกษุจะให้อะไรกับคารวานนี่นะครับแล้วให้อย่างไรครับจึงจะไม่ ไม่ผิดอาชีวะก็ท่านยกตัวอย่างแม้แต่ไม้ไผ่ท่อนเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองก็ยังเป็นซะแล้วเนี่ยถ้าเป็นของสงเลยเนี่ยนะก็ให้ไม่ได้โอถ้าเป็นของส่วนตัวนะตตมได้เหรอครับถ้าเป็นของส่วนตัวเนี่ยนะตรงนี้ค่ะมาไม่แน่ใจละถ้าเป็นของส่วนตัวเนี่ยนะถ้าเป็นของส่วนตัวเนี่ยนะถ้ายกตัวอ ย, อย่างอย่างยูกยาเป็นต้นเนี่ยต้องให้กับพวกวัยรราวจกรเท่านั้นนะให้กับพวกมารดาบิดาเป็นต้นเนี่ยให้คนอื่นไม่ได้นะ ต้องดูว่าของถ้าของส่วนตัวก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าของส่วนถ้าของส่วนตัวนะถ้าตัวเองไม่ได้บริโภค ก, ก่อนแล้วให้คนที่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยนะถ้าไม่ได้ฉันก่อนเนี่ยยกให้เข้าไปเลยอย่างเช่นโยมเอาอาหารมาถวายนี่นะถ้าไม่ได้ฉันก่อนแล้วยกให้คาวาสไปเลยเนี่ยนะยกให้คนที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เร า, ายกทำศัทธาใให้ตกเป็นอบับดันั่นนะต้องต้องฉันก่อน เหลือแล้วก็ให้ไปก็ได้หรือแบ่งชั้นก่อนแล้วค่อยยกที่เหลือให้ไปอะอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าหากว่าของสงเนี่ยนะยังไงกระดิกไม่ได้เลยเนี่ยนะของสงเนี่ยห้ามไปยุ่งกับของสงเลยเด็ดขาดเลยเตียงต่างเนี่ยถือกรรมสิทธิ์ไม่ได้ไม้ไม่แต่ศอกเดียวก็ไม่ได้เนี่ยนะเพราะยังไงก็คือของสงของสงเนี่ยเป็นครูพันพระภิกษุเอามาแจกกันยังไม่เป็นอันแจกเลยรูปลายแจกต้องอบัตรุรลใจของที่แจกก็ไม่เป็นอันแจกยังไงก็ของสงอนั่นแหละเนี่ยนะ ยังมีหนังสือธรรมะอยู่สองเล่มเนี่ย อ, อ๋อถ้าอย่างนี้มไม่มีปัญหาเพราถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนะแล้วอาหารเช้าเช้าที่ท่าน เ, ออเลือกใส่บาตรไปแล้วแล้วก็ไปไปฉันที่กุฏิแล้วอาหารที่เหลือ น, นั้นยังเป็นของสงวนป่า อ, อ๋อไม่ถ้าอย่างที่ที่ท่านอยู่ทุกวันไม่ใช่ของสงเพราะไม่ได้กล่าวถวายสงอะไรก็บุคคลที่เขาใส่บาตรมาเขาจะถวายยังไง อ, อ๋อเขาก็ให้เป็นก็คือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระภิกษุรูปนั้นนที่รับมาไป นนะถ้าถ้าเป็นของสงก็คือมาถึงก็ pm, มากล่าวเช่นยกตัวอย่างเรากล่าวถวายสังฆทานเนี่ยนะอันนี้เป็นของสงเพราะฉะนั้นทุกองค์ที่อยู่ในศีมานั้นมีส่วนในวัดนั้นอารามนั้นมีส่วนด้วยของของส่วนนั้นๆเลยนะเห็นไหมอย่างเช่นมาถึงเลยเนี่ยนะโยมาถึงมีโต๊ะอันเนี้ยบอกมาถึงกล่าวถวายสงเนี่ยนะอันนี้ต้องใช้ของสงนะจะมาใช้แบบของส่วนตัวไม่ได้อย่างสมมติที่ศาลาหลังนี้ถ้าเขายกถวายสงเนี่ยนะ ใช้เป็นของส่วนตัวไม่ได้เนี่ยใช้เยี่ยงของส่วนตัวไม่ได้ถ้าใช้มีโทษะสำคัญว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของไปเลยเนี่ยมีโทษอั้นของสงนี้เป็นเรื่องที่บาปก็บาปหนักเหมือนกันบุญก็บุญมากเหมือนกันแต่ก็แยกให้ออกว่าอะไรเป็นของส่วนตัวอะไรเป็นขอสุขเรียกว่าส่วนบุคคลอะไรเป็นของของสงนะนะมันถ้าเป็นของสงแล้วเกี่ยวกับครุพันเนี่ยถือว่าหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกัน แจกไม่ได้เลยพิกษุยังแจกกันเองไม่ได้ไม่จําต้องกล่าวว่าให้คารวะาไปอย่างนี้นต่อไปนะหรือว่าพระพภิกษุที่ทํางานเลี้ยงเด็กเน่ยนะรับเลี้ยงเด็กให้ให้กันลูกหลานชาวบ้านเนี่ยนะคล้ายกับว่าพ่อแม่มีธุระอะไรที่ไหนก็ไปฝากไว้กับท่านอะลักษณะนี้ก็ไม่ได้นะหรือว่าเป็นฝ่ายรับส่งข่าวสาร หรือว่าด้วยมิจฉาอาชีพยอย่างอื่นเช่นเวชกรรมเป็นหมุกเป็นหมอเป็นต้นเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจพระพุทองค์ทรงติเตียนทรงตำหนิอย่างนี้เรียกว่าอนาจาระประพฤติทั้งหมดเรียกว่าอนาจารทั้งหมดเลยเพราะว่าปัจจัยสี่เหล่านั้นได้มาโดยไม่ชอบธรรมได้มาโดยไม่ชอบธรรมอาชีพวิบัติเมื่ออาชีพวิบัติแล้วก็อาธิพรมมาจาริกศีลก็มิบัติแล้ว พันเมื่ออาชีพหรือเอออาทิพรหมจริกาศีลเนี่ยนะศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์วิบัติกุศลธรรมชั้นสูงก็เจริญไม่ได้เนี่ยนะแค่เราวาสเก็ตของพรหมจรรย์ยังไม่ได้เลยนะสะเกตของพรหมจรรย์นี่คือศีลถ้าอาชีพวิบัติแล้วสเก็ตก็ยังไม่ได้เลยสเก็ตของศาสนาก็อาจจะได้เฉพาะกิ่งและใบไปได้ลาศากการะเนี่ยนะลาศาการะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสอุปมาเหมือนกับ เก่งและใบคล้องของพระศาสนาของพรมอมจรรย์นี้เท่านั้นเองก็คิดดูนะว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะที่เป็นของสูงเนี่ยนะถ้าเราไปเกี่ยวข้องในลักษณะด้วยกุศลจิตก็ได้บุญมากเกี่ยวข้องด้วยลักษณะที่เป็นอกุศลจิตก็มีโทษมากยกตัวอย่างเหมือนพ่อแม่เนี่ยใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยนับว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะสูงมีบุญสูงมากต่อฉบับลูกอ่ะนะ ถ้าลูกเกี่ยวข้องด้วยความถูกต้องเนี่ยเป็นอารหารของลูกทันทีแต่ถ้าลูกทำผิดกับพ่อแม่อันนี้ก็โทษอเท่าตัวพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันบุคคลที่เข้าไปมีศรัทธาเลื่อมใสในพระ อ, องค์ศึกษาปฏิบัติตามพระ อ, องค์ไปบรรลุมรรคผลบรรลุทำกันมากมายมหาศาลแต่ผู้ที่ประพฤติผิดกับพระผู้มีพระภาคอย่างพระเทวทัตเป็นต้นเนี่ยนะหรือนางจินจะมานวิกาพวกเรตีส่วนหนึ่งที่ประพฤติผิดกับพระ อ, องค์นั่นแหละ พระองค์ไม่ได้ถือโทษถือภัยหรอกแต่ว่าไอ้กอกุศลเจตนาที่เขาทํากับพระผู้มีพระภาคนั้นน่ะบาปมากเนีย่ยนะพระธรรมคาสอนก็เหมือนกันพระอริยสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันแม้กระทั่งของสงฆ์ก็ลักษณะเดียวกันเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องแม้กระทั่งเป็นพระภิกษุแล้วก็ควรที่จะศึกษาหลักการบริหารของสงฆ์ให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยโหมีโท ษ, ม, โทษมีโทษมากจริงๆเนีย่ยนะเพราะว่า ส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาถวายสงเนี่ยนะคำว่าสงนี่คือใครสงมีเสียไหมคำว่าสงก็คือผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิผู้สมบูรณ์ด้วยอริยศีลหรือสมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอริยคุณทั้งหลายดันั้นวินัยเกี่ยวกับเรื่องของสงเนี่ยออกมามีเป็นเล่มๆ เ, เลยอะฝ่ายไม่ดีว่าไปเยอะแล้วมาเอาฝ่ายดีมั่ง ในอาจาระและอนาจาระทั้งสองนั้นถามว่าอาจาระที่เป็นศีลเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าวสสได้แ ก, ก, ก่ความไม่ก้าวล่วงทางกายไม่ก้าวล่วงทางกายนั้นหมายถึงกายสุจริตนั่นเองความไม่ก้าวล่วงทางวาจาอันนี้เป็นวจีสุจริตความไม่ก้าวล่วงทางกายทั้งทางวาจาอันนี้ก็สุจริตทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าอาจาระเนี่ยนะความไม่ก้าวล่วงนะ กุศลจิตที่เป็นเหตุให้ไม่ก้าวล่วงกุศลจิตเหล่านั้นนั่นแหละเป็นอาจาระเป็นศีลไม่ให้ก้าวล่วงมีโทษมาทางกายไม่ให้ก้าวล่วงมีโทษมาทางวาจาศีลสังวรแม้ทั้งหมดก็ชื่อว่าอาจาระเนี่ยนะไม่จำเพาะแต่ว่าซ้ายมือเนี่ยสังเกตดูนะอาวีติกรโมใช่ไหมอวีติกรโมโความไม่ก้าวล่วงในในที่เป็นภาษาบาลีนะสัพ บ, บาลีอะติดกันนั่นแหละ กายโกวิติอะวีติกโมวาจาสิโกอวีติกโมท่านบอกว่าไม่ก้าวล่วงทางกายไม่ก้าวล่วงทางวาจาไม่ก้าวล่วงทั้งทางกายและทางวาจาไอ้อยังงี้เป็นเป็นศีลใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นศีละสังวรหรือสังวรแม้ทั้งหมดศีลสังวรทั้งหมดก็ชื่อว่าอาจาระศีลมีสี่อย่างใช่ไหมเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอะวีติกมะศีล เพราะฉะนั้นความไม่ก้าวล่วงทางกายขยายอาวีติกมะและท่านบอกว่าศีลที่เหลือคือเจตนาศีลเจตสิกศีล ส, สังวรศีลพวกนั้นก็เรียกว่าอาจาระทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นกุศลศีลทั้งสี่ประการทั้งเจตนาทั้งเจตสิกทั้งสังวรทั้งอวีติกมะทั้งสี่อย่างเหล่านี้เรียกว่าอาจาระอาจาระเป็นศีลอาจาระหรือเรียกว่ามันย่าดเนี่ยนะ หรือกนัยะหนึ่งบอกว่าภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้ไม่สําเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการให้ไม้ไผ่บ้างนะไม่สําเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการให้ใบไม้บ้างไม่สําเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการให้ดอกไม้ให้ผลไม้ให้เครื่องสนานเครื่องสนานก็คือเครื่องอาบน้ําหมืนะไม้ชําระฟันบ้างไม่สําเร็จการเลี้ยงชีพด้วยความเป็นคนประจบบ้างไม่สําเร็จการเลี้ยงชีพด้วยความเป็นผู้มีคําพูด ดดแกงถั่วบ้างไม่สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการงานเลี้ยงเด็กบ้างไม่สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการงานรับส่งข่าวสารบ้างหรือไม่สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียดนี้เรียกว่าอาจาระนีย่ยะก็คือได้ปัจจัยสี่มาโดยถูกต้องอย่างนี้ก็เรียกว่าอาจาระเพราะฉะนั้นอาจาระนั้นก็หมายถึง สุจริญทางกายสุจริตทางวาจาและสุจริตทางอาชีพเนี่ยนะเรียกว่าอาจาระแม่ฟังดูใหม่ๆโอ้ยทำตามยากเหลือเกินนะแต่ศีลก็เป็นทรัพย์นะศีล น, นี่เป็นทรัพนะถ้าเห็นว่าเป็นทรัพย์ถ้ามีศรัทธาก็ประพฤติได้ศีลเ น, นี่ยสําเร็จด้วยศสภานะ ศีลนี่บางอย่างสำเร็จด้วยศรัทธาศีลบางอย่างสําเร็จด้วยความเพียรถ้าขาดความเพียรขาดศรัทธาขาดตถาคตโพธิศรัทธาสักอย่างเดียวกุศลศีลเหล่านี้ไม่ทําไม่ได้หรอกแต่ถ้าเชื่อมั่นว่าเชื่อมั่นในพระตถาคตว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีศรัทธาว่าพระองค์เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้เปิดประตูแห่งอมตะธรรมผู้ชี้ทางแห่งอมตะธรรม พระองค์ก็จะบอกว่าของเหล่านี้มีโทษต่อการแทงตลอดอมาตะทำพระองค์ก็ให้เว้นสักก่อนเนี่ยนะถ้าหมอก็ห้ามของสแสลงสัก่อนนะยาดีเนี่ยนะกินคู่กับของสแสลงเนี่ยถามว่าหายไม่โรคอะ่ะไม่แน่นะคละเคล้ากันไปกลายเป็นสิ่งที่มีภัยอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ก็ชาตก็จะห้ามสิ่งที่มีโทษต่ออรยิยมร์อะไรที่เป็นเครื่องกั้นต่ออรยิยมร์พระองค์ก็จะปิดก่อนหมดเลยเพออาราะอริยมร์ก็ต้องมีเบื้องต้นก่อนใช่ไหม อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคทั้งหลายอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ศีลและสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคพรมจรรย์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องต้นที่สําคัญมากถ้ากุศลเจตนาเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดเนี่ยนะเอาอะไรมารองรับอริยมรรคคืออาจารย์ะเนี่ยความหมายจริงๆคือไม่ก้าวล่วงทางกายทางวาจานในทางทุจริตริษมั้ยครับ แต่ว่าภาษาไทยมามาแปลว่ามัญญาติรู้สึกดูห่างมากมัญญาตเป็นเรื่องของความประพฤติที่เหมาะสมเรียบร้อยตามกาละตามเทษะอะไรสํานองนั้นที่เราเข้าใจกันเนี่ยเจนพแต่ไม่ใช่เจนพะมันสูงกว่า น, นั้นเจนพระเพราะฉะนั้นไอ้มัญญาตในที่นี้หรือที่เรียกว่าอาจาระนั้นหมายถึงกุศลศีลทั้งหมดที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงนั่นแหละเรียกว่ามัญญาต เพราะฉะนั้นเราอ่านในพระสูตรเราเจอนะครับว่าบุคคลใดควรจะกระทับกระทาอย่างไรตามลำดับประพฤติวัดอย่างไรประพฤติมันมา ญ, ญาตอย่างไรแสดงว่าเอามาน ญ, ญาตตัวนี้ไปใช่เจนทานจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่จึงเป็นผู้ที่ชื่อว่ามิศขาศิขาศิขาก็สศิขาใช่ไหม เป็นผู้ที่ประพฤติตนในอาจารยิยในปาราจริยสูตรนะครับบุคคลควรกระทำอย่างไรควรประพฤติวัดอย่างไรควรประพฤติมันยาติอย่างไรคำว่ามันญาตตัวนี้มาจากตัวยืนาาซึ่งแต่ก่อนนี้ผมพออ่านแล้วก็รู้สึกคํานี้ไม่น่าจะเป็นคทํที่ที่ที่สำคัญมากมายังไบ แต่ไม่ใช่ว่าไอ้มันญาติเนี่ยบางทีก็อาจจะออกมาในรูปแบบประจบประแจงก็ได้นะอ่ามัญาติแบบไทยๆเนี่ยนะที่ที่เราอมความกันเนี่ยนะอาจจะว่าซ่อนอะไรอยู่ข้างในนั้นก็ได้ไมันญาติอันนั้นเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่ามันญาตในศีนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเกิดจากกุศลเจตนาจริงๆเนี่ยนะเน้นเกิดจากกุศลเจตนาเหล่านั้นเนี่ยนะ แต่ที่จริงก็คือพวกเจตนานศีลเจตสิกสังวรอวิติกมะนั่นแหละมาแสดงอีกศัพท์หนึ่งเท่านั้นเองนะมาใช้คำว่าอาจาระหรือมัญยานนั่นแหละท่านปัตตกุลอาจาระนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นจารีตศีลและวารีตศีลทั้งสองอย่างเรียกว่ามัญยานทั้งหมดเลย